วันนี้เป็นวันเสาร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นวันวิสาขาบูชาวันสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันประสูติวันตรัสรู้ และวันสเสด็จ ด, ดับขันธ์ประนิพานของพระบรมศาสดาพระอระหันตตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาผู้ที่มีความสามารถมีความรู้มีความเก่งเหนือกว่ามนุษย์ทุกทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้ เพราะไม่มีใครจะมีความรู้ความสามารถที่จะทำให้ตนหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจได้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวเท่านั้นที่สามารถศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติ เ, เพื่อให้ตนเองเพื่อให้พระองค์เองได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากสังสารวัฏหรือวัตตะสงสารที่สัตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเรานี้กำลังติดอยู่กัน ไม่มีใครที่จะสามารถหลุดออกจากสังสารวัตคือวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยตนเองมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่มีความสามารถที่จะหลุดพ้นได้และหลังจากที่พระองค์ได้ทรงหลุดพ้นจาก กองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพระองค์ก็มีความสามารถที่จะเอาคำความรู้นี้มาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราได้มีโอกาสได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยปรากฏมีพระอาหารหันตสาวก ปรากฏขึ้นมาเป็นจำนวนมากคือผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติตามจนสามารถทำให้จิตใจของตนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตาย ความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือความสำคัญความประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่นานๆจะมีปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดกันได้บ่อยๆเวลาระยะเวลา ระหว่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ท่านว่าหลายกับด้วยกันหลายกับหลายกันคำว่ากับนี้ก็ไม่สามารถพูดได้ด้วยคำพูดว่ายาวนานเท่าไหร่ไม่สามารถเขียนได้ด้วยตัวเลขว่ายาวนานเท่าไหร่แต่เป็นเวลาที่ยาวนานมากถ้าอยากจะรู้ว่า หนึ่งกับนี้เวลายาวนานเท่าไหร่ท่านก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าทุกร้อยปีเราเอาผ้ามารูปภูเขาหิมาลัยหนึ่งครั้งทุกร้อยปีเรามาเอาผ้ามารูปภูเขาหิมาลัยหนึ่งครั้งเราต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าภูเขาหิมาลัยนี้จะหายไปจากการที่เราลูปคือศึกลรอหายไป คิดดูก็แล้วกันว่าจะต้องกลับมารูปกี่แสนกี่ล้านครั้งด้วยกันถึงจะทำให้ภูเขาฮิมาลัยนี่สึกหายไปนี่คือระยะเวลาของหนึ่งกับเวลาที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และมาสั่งสอนสัตว์โลกสักครั้งหนึ่งถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้ มาเผยแผ่พระธรรมคำสอนพวกเรานี้จะไม่มีวันรู้จากทางที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยพวกเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปกันอย่างยาวนานอย่างไม่มีวันจบการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราที่ผ่านมามันก็ยาวแสนยาวนานแสนนาน ถ้าอยากจะรู้ว่าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันกี่ครั้งพระองค์ก็ทรงตรัสว่าให้เอาน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละครั้งที่มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเอามารวมกันแล้วมันจะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรคิดดูก็แล้วกันว่าชาตินี้เราหลั่งน้ำตากันถึงขวดหนึ่งก็ยังขวดน้าที่เราดื่มกัน สมมติว่า เ, เราหลั่งน้ำตาประมาณหนึ่งขวดน้ำในชาตินี้แล้วเราต้องกลับมาเกิดกี่ชาติมาหลังน้ำตากี่ขวดถึงจะทำให้มีน้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมาหาสมุทรนั่นแหละคือปริมาณของความทุกข์ที่พวกเราได้พบมาและจะพบต่อไปอีกในอนาคตอย่างไม่มีวันสิ้นสุด จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือพบกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนหรือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่รู้จากวิธีที่จะทำให้เรานี้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันเอกต่อไปถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสง พวกเราก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปจะต้องมาร้องหม่มร้องไห้กันทุกพบทุกชาติเพราะว่าการเกิดนี้มันเป็นความทุกข์เกิดแล้วก็ต้องพบกับภัยต่างๆพบกับความผิดหวังต่างๆพบกับการพัดภาคจากกันพบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตาย นี่คือเรื่องของการมาเกิดการมาเกิดก็คือการมาหาความทุกข์นั่นเองทงั้งๆที่พวกเราไม่อยากจะเจอความทุกข์กันแต่พวกเราก็ไม่รู้จากวิธีที่จะทำอย่างไรที่จะทำให้เราไม่ต้องมาทุกข์กันไม่ต้องมาเกิดกันจะต้องเจอพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอน หรือพระ อ, อริยสงสาวกเท่านั้นที่จะรู้วิธีที่จะทำให้พวกเราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆอย่างที่เรากำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้นี่แหละคือความสาคัญของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็จะไม่มีพระธรรมคำสอนปรากฏขึ้นมา เมื่อไม่มีพระธรรมคําคสอนปรากฏขึ้นมาก็จะไม่มีพระอริยสงฆ์สาวกปรากฏขึ้นมาเมื่อไม่มีก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาอย่างที่มีกันอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีใครรู้วิธีกำจัดความทุกข์วิธียุติการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไปเกิดใน ประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครรู้เลยว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีจริงหรือไม่และการที่จะทำให้การเวียนว่ายตายเกิดนี้สิ้นสุดลงนี้ทำได้หรือไม่ทำด้วยวิธีใดจะไม่มีใครรู้ลองไปอยู่ที่ประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีใครรู้ว่าเขา กำลังเวียนว่ายตายเกิดกันส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเกิดแล้วตายแล้วก็จบไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดตามมาเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นคือร่างกายพอตายแล้วมันก็กลับไปสู่ดินน้ำลมไฟไม่มีใครเห็นจิตใจที่เป็นดวงวิญญาณหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ผู้เป็นผู้ที่จะไปเกิดใหม่นั้นผู้ที่จะไปมีร่างกายอันใหม่ผู้ที่จะกลับมาทุกข์กับคามแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับการพลาดาจากกันเพราะว่าจิตใจหรือดวงวิญญาณนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ผู้ที่จะสามารถเห็นจิตใจได้จำเป็นที่จะต้องเปิดตาในผู้ที่เปิดตาในก็คือผู้ที่นั่งสมาธินี้ผู้ที่สามารถนั่งหลับตาแล้วทาจิตใจให้สงบได้ก็จะเป็นผู้ที่สามารถเห็นดวงจิต ด, ดวงใจเห็นดวงวิญญาณของตน และดวงวิญญาณของผู้อื่นได้ถ้าไม่ได้ฝึกนั่งสมาธิแล้วจะไม่มีวันเห็นจะไม่มีวันเข้าใจว่าจิตใจเป็นอย่างไรดวงวิญญาณเป็นอย่างไรผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปผู้ที่ไปเกิดใหม่เป็นใครจะไม่มีวันรู้ได้เพราะเห็นเพียงแต่ร่างกายเท่านั้น เมื่อเห็นเพียงแต่ร่างกายเห็นร่างกายเกิดแล้วเห็นร่างกายตายพอร่างกายตายก็ไม่มีใครที่จะไปเกิดได้ใหม่เพราะร่างกายมันย่อยสลายเอาไปเผาก็กลายเป็นที่เท่าเป็นเศษกระดูกไปเอาไปฝังก็กลายเป็นดินไปแล้วใครจะไปเกิดใหม่ ใครจะไปรับผลบุญผลบาปในนรกในสวรรค์ใหม่เรื่องเหล่านี้ถ้าไม่ได้มีการปฏิบัติจิตภาวนาคือการนั่งสมาธิ<ม>การเปิดตาไหนจะไม่สามารถมองเห็นจิตใจและดวงวิญญาณได้ผู้ที่ปฏิบัติสมาธิ เปิดตาายไดจจ้จะรู้จะเห็น จ, จะรู้จักจิตใจจะรู้จักดวงวิญญาณจะรู้ว่าผู้ที่ไปเกิดใหม่นี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่จะไปเกิดใหม่นี้คือจิตใจและรู้ถ้าเป็นผู้ที่รู้ในระดับสูงสุดคือพระพุทธเจ้าจะรู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้จิตใจไปเกิดใหม่ ถ้าคนอื่นนี้จะไม่รู้จะรู้ว่าตายแล้วไปเกิดใหม่แต่ไม่รู้ว่าเหตุอันใดพาให้ไปเกิดใหม่มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สรงค้นพบว่าเหตุที่พาให้ไปเกิดใหม่ก็คือตัณหาความอยากที่มีอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกคนนี้เองความอยากที่พวกเรา มีอยู่ที่พาให้พวกเรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆมีอยู่สามกลุ่มด้วยกันสชนิดด้วยกันชนิดแรกเรียกว่ากามตันหาคืออยากมีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะคือกามคุณห้ากามะแปลว่ากามคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลตภะ ที่เราสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นไก่ที่เราคอยหากันอยู่เรื่อยๆทุกวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเราก็คอยหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิพภัณชนิดต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพราะความอยากมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่เอง ถ้าขาดรูปเสียงกลิ่นรสแล้วเราจะรู้สึกเหงารู้สึกว้าเหวรู้สึกเศร้าส้อยรู้สึกซึมเศร้าพอเวลาที่เราได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสเราจะมีความรู้สึกกล้าเริงดีอกดีใจมีความสุขนั่นเพราะใจของเรามีความอยาก <c oughs> ซึ่งเป็นเหมือนกับความอยากยาเสพติดนี่เอง คนที่มีความอยากยาเสพติดเวลาไม่ได้เสพยาเสพติดนี้จะรู้สึกทรมานใจจะรู้สึกหงุดหงิดําคาญไม่มีความสุขใจพอได้เสพยาเสพติดแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาภายในใจนี่เป็นผลของที่มีความอยากเสพไม่ว่าอยากจะเสพอะไร พอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วใจจะกังวลกวายกระสับกระส่ายใจจะสัน่นใจจะรู้สึกไม่สบายจึงต้องไปหาสิ่งที่อยากจะเสพมาบำบัดมากําจัดความที่รู้สึกไม่สบายนี้พอได้เสพได้สัมผัสความรู้สึกไม่สบายหายไปก็เลยเกิดความรู้สึกเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจ ไปชั่วระยะหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่มาบำบัดคือรูปเสียงกียรถต่างๆนี้ไม่สามารถที่จะบำบัดความรู้สึกไม่สบายให้หมดไปได้อย่างถาวรเพียงมาบำบัดได้ชั่วคราวพอฤทธิ์ของรูปเสียงกียรตที่มาให้ความสุขกับใจจางหายไป ความอยากที่จะหารูปเสียงกลนรถใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราเรียกหาร้องหารูปเสียงกลนรถกิีนรถปวดทพะตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เป็นทารกเนี่ยออกจาก ท, ท้องแม่ออกมาเดี๋ยวก็ร้องไห้อยากได้นูน่นอยากได้นี่ก็เป็นรูปเสียงกลียนรถต่างๆทั้งนั้น นี่คือความอยากชนิดหนึ่งที่ดึงให้จิตใจของพวกเรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะการอยากรูปเสียงกดลิ่นรสนี้จาเป็นที่จะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไม่สามารถเสพรูปเสียงกดลิ่นรสได้จึงต้องมามีร่างกายเพราะร่างกายนี้มีตาหูจมูกลิ้นกาย ไว้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนั่นเองนี่คือความอยากที่ดึงจิตใจที่เวลาไม่มีร่างกายให้ไปหาร่างกายอันใหม่ให้ไปเกิดใหม่เช่นร่างกายของพวกเราที่มีอยู่ตอนนี้ต่อไปมันก็ต้องแก่เจ็บตายพอตายจิตใจก็จะแยกออกจากร่างกายไป พราอไม่สามารถใช้ร่างกายที่ตายนี้ไปหาลูกเสียงกลิ่นรสมาเสพได้ก็เลยต้องไปหาร่างกายอันใหม่ที่พ่อแม่คนใหม่จะสร้างขึ้นมาใหม่นะก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะเมื่อจิตใจพร้อมเมื่อไหร่ที่จะไปรับก็จะไปรับร่างกายอันใหม่แล้วก็จะกลับมาเกิดใหม่ มาเป็นอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้พอมาเกิดแล้วก็มาทำตามความอยากกันมาหารูปเสียงกลิ่นรสกันเวลาได้ก็มีความสุขเวลาด้ไม่ได้ก็มีความทุกข์มีความเสียใจเวลาสูญเสียสิ่งที่ได้มาไปก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจนี่เป็นเรื่องของการหาความทุกข์ของพวกเรา สาเหตุเกิดจากความอยากของพวกเราอันนี้เป็นความอยากชนิดที่หนึ่งเรียกว่ากามตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะความอยากชนิดที่สองที่ทําให้พวกเราต้องเดินกันต้องคอยหากันอยู่เรื่อยๆก็คือภาวะตันหาแปลว่าความอยากมีอยากเป็นเรามีความอยากเป็น นั่นเป็นนี่กันเป็นคนธรรมดารู้สึกว่ามันไม่มีความสุขเหมือนกับได้มีตาแหน่งได้เป็นผู้ใหญ่บ้านได้เป็นกำนันได้เป็นสอสอได้เป็นนายอาเภอได้เป็นผู้ว่าได้เป็นผู้จัดการได้เป็นครูใหญ่ได้เป็นอะไรต่างๆนี่เรียกว่าภาวะตัณหาความอยากได้ ตำแหน่งอยากได้สถานภาพต่างๆเรียกว่าภาวะตัณหาที่ทำให้เราต้องคอยมาเกิดอยู่เรื่อยๆพอเรามาเกิดแล้วเราก็จะแสวงหาภาวะต่างๆที่เราต้องการกันแล้วชนิดที่สามคือวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นมีสิ่งที่เราอยากเป็นกันและมีสิ่งที่เราไม่อยากเป็นกัน สิ่งที่ไม่อยากเป็นก็คือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเช่นไม่อยากยากจนไม่อยากทุกข์ยากลำบากไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายพอเจอสิ่งเหล่านี้เราก็จะดิ้นจะหนีมันคนบางคนเวลาเจอความแก่ความเจ็บก็อาจจะไม่อยากจะอยู่ต่อไปก็คิดฆ่าตัวตายกัน อันนี้ก็เกิดจากวิภาวะตัณหาความอยากไม่อยู่แบบคนแก่อยู่แบบคนเจ็บเพราะมันไม่สามารถหาความสุขได้ก็เลยคิดว่าข่าตัวตายจะดีกว่าพอข่าตัวตายมันก็ส่งให้จิตไปหาร่างกายอันใหม่ต่อเพราะมันยังอยากจะหาความสุขจากลูกเสียงกินรสต่อไปอ น, นี่คือเรื่องของเหตุ ที่พาให้ดวงจิตดวงใจหรือดวงวิญญาณของพวกเราทุกคนนี้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจะพาให้เหล่านี้ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่เราจะได้มาหาความสุขแบบที่เรากำลังหากันอยู่ในขณะนี้ต่อไปแต่การหาความสุขของเรานี้มันเป็นการหาความสุขที่มีความทุกข์แถมมาด้วยนั่นเอง เพราะเครื่องมือที่เราใช้ในการหาความสุขคือร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและของที่เราหามาให้ความสุขกับเรามันก็ไม่แน่นอนบางทีมันก็อยู่กับเราบางทีมันก็ไม่อยู่กับเราพอเวลามันไม่อยู่กับเรามันก็ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจเช่นเราได้อะไรมาให้ความสุขกับเราพอสิ่งนั้นหายไป หรือเสียไปหรือเสื่อมไปเราก็ไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งนั้นได้มันก็ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจกันนี่แหละคือเรื่องของความทุกข์ต่างๆที่พวกเรามาพบมาเจอกันทั้งๆที่ไม่มีใครอยากจะพบอยากจะเจอแต่ก็ต้องมาเจอเพราะความหลงที่ไปคิดว่าสิ่งต่างๆที่เรา กำลังหากันอยู่นี้จะให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวเพราะเราไม่ฉลาดเรามองไม่รอบคอบเรามองไม่เห็นว่านอกจากความสุขที่เราได้แล้วมันจะมีความทุกข์ตามมาด้วยแถมมาด้วยเพราะความสุขที่เราได้มันเป็นความสุขชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องหมดไป พอหมดไปเราก็เสียอกเสียใจแล้วเราก็ต้องไปหาใหม่เวลาหาก็ก็ทุกข์ลำบากทุกยากลาบากเพราะสิ่งต่างๆที่จะมาให้ความสุขกับเรานี้มันไม่ใช่เป็นของที่จะหามาได้อย่างง่ายดายจะต้องมีการมีเครื่องไม้เครื่องมือเช่นต้องมีเงินมีทอง ถึงจะซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราหรือไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็ต้องมีเงินทองหรือจะกินจะดื่มอะไรก็จะต้องมีเงินทองเราก็ต้องไปทุกข์กับการหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อความสุขให้กับเราแล้วความสุขที่เราได้มามันก็ได้เดี๋ยววได้มาแล้วมันก็หมดไปเหมือนควันไฟไปเที่ยวก็มีความสุขพอกลับมา ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปหมดทำให้อยากไปเที่ยวใหม่นี่แหละคือเรื่องของความทุกข์ที่มันแถมมากับความสุขเพราะเราไม่รู้จากวิธีที่จะหาความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์ความสุขแบบที่ไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดมีพระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่แหละเป็นผู้ที่ ค้นพบวิธีที่จะหาความสุขแบบไม่มีความทุกข์ความสุขแบบที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมาหลังน้ำตาจนมากกว่าน้ำในมาหาสมุทรก็คือวิธีของการทำใจให้สงบนั่นเองเพราะถ้าเราสามารถทำใจของเราให้สงบได้เราจะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง เหนือกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีใครรู้จักวิธีหาความสุข น, นี้นอกจากพระพุทธเจ้านักบวชในสมัยพระพุทธเจ้ากร็รู้ว่าความสุขนี้เกิดจากความสงบแต่ไม่รู้จักวิธีที่จะหาความสุขแบบที่เกิดจากความสงบนี้แบบถาวรได้ รู้จักวิธีหาความสุขที่เกิดจากสงบแบบชั่วคราวคือเวลาไปนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบใจก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่พอออกจากสมาธิมาความสุขที่ได้จากสมาธินั้นก็หายไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นหรือความอยากไม่มีอยากไม่เป็น มันก็โผล่ขึ้นมาใหม่ไม่มีใครรู้จากวิธีที่จะกําจัดความทุกข์เหล่านี้เวลาออกจากสมาธิมาตอนต้นพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าไปศึกษาจากอาจารย์ต่างๆท่านก็เขาก็สอนพระพุทธเจ้าให้เข้าสมาธิให้เข้าไปในฌานขั้นต่างๆที่มีอยู่แปดขั้นด้วยกัน รูปประชานสีรูปปานสีโดยการควบคุมความคิดให้หยุดคิดด้วยใช้สติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นการดูลมหายใจเข้าออกหรือการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปภายในใจถ้าสามารถจเจริญสติควบคุมความคิดได้ความคิดก็จะค่อยๆสงบลงไป พอความคิดสงบลงไปจิตก็จะเข้าสู่ระดับฌานต่างๆจิตก็จะสงบลงมีความสุขเพิ่มขึ้นตามลำดับจนถึงความสุขเต็มที่เมื่อเข้าสู่ฌานขั้นที่สูงสุดนะแต่พอออกจากสมาธิมาพอร่างกายจะต้องมาดูแล ไม่สามารถเข้าฌานได้หรือสีบางพวกนี้เขาเข้าฌานได้ทีละสิบห้าวันแต่ก่อนนั้นก็ต้องออกมาดูแลร่างกายเพราะร่างกายยังต้องรับประทานอาหารยังต้องดื่มน้ํายังต้องขับถ่ายอยู่มันก็จะไปกระตุ้นให้จิตที่สงบนั้นต้องออกจากฌานเพื่อออกมาดูแลร่างกายพอออกมา ออกจากฌานมาก็จะมารับรู้เรื่องของร่างกายก็มาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดความอยากขึ้นมาใหม่เกิดความกังวลกวายกัศบกัสายขึ้นมาใหม่ yeah. ยังไม่รู้จักวิธีว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ใจสงบเหมือนกับตอนที่อยู่ในฌานเวลาออกจากฌานพ yeah. ระพุทธเจ้าก็พยายามศึกษาจากอาจารย์หลายๆรูปด้วยกัน แต่ก็ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ใจนี้สงบไปตลอดเวลามีความสุขไปตลอดเวลาก็เลยต้องมาค้นคว้าด้วยพระองค์เองหลังจากที่ได้ทดลองผิดลองถูกอยู่ในที่สุดก็ทรงค้นพบว่าสาเหตุที่ทำให้จิตใจวุ่นวายเวลาออกจากสมาธิมาก็คือความอยากทั้งสามนี้เอง คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาที่เกิดจากการไปคิดถึงรูปเสียงกิ่นสดไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือไปสัมผัส ร, รับรู้รูปเสียงกิดนสดหรือไปรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้พอไปรับรู้ขึ้นมาใจก็เกิดความอยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาถ้าไปคิดถึงลูกไปคิดถึงคนที่เรารักก็ เกิดความห่วงใ่ขึ้นมาเกิดความห่วงเกิดความห่วงขึ้นมาถ้าไปคิดถึงสิ่งที่เป็นภัยอันตรายก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความหวากตัวขึ้นมาอันนี้เป็นผลที่เกิดจากความคิดคิดไม่ตรงกับความเป็นจริงคิดด้วยความหลงจึงทำให้เกิดความความทุกข์ต่างๆขึ้นมา พระพุทเจ้าก็เลยทรงศึกษาความจริงของสิ่งต่างๆที่ไปที่พระองค์ไปทรงรับรู้ไปทรงสัมผัสเช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสร่างกายของตนเองร่างกายของผู้อื่นหลังจากศึกษาดูแล้วก็ทรงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นเรียกว่าอานิจจังเป็นของที่ไม่ เทียงแท้แน่นอนไม่ถาวรมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดามีเจริญก็ต้องมีเสื่อมมีมาก็ต้องมีไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปห้ามไปบังคับได้ไม่มีใครไปสั่งให้สิ่งนี้อยู่เป็นอย่างนี้ไปตลอดไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ไม่มีใครสามารถทำได้แต่ตันหาความอยากของใจของพวกเราทุกคนนี้ เวลาได้อะไรมาแล้วมักจะอยากให้มันดีอยากให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผพตะไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือของใครก็ตามพอเรารักเราชอบแล้วเราก็หวงเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น ความจริงคือทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปมีการดับไปในที่สุดถ้าไปอยากให้มันไม่ดับก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความผิดหวังนั่นเองเกิดความเสียใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เลยทรงค้นพบว่าความทุกข์ใจของลูกเราเกิดจากความอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ อยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงมันเป็นไปไม่ได้อยากให้สิ่งที่เราบังคับไม่ได้ให้เราบังคับได้นี่คือความทุกข์เกิดจากความอยากพระพุทธเจ้าก็เลยทรงเห็นว่าวิธีที่จะทำให้เราหายทุกข์ก็คือเราก็ต้องไม่ไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้าการที่เราจะไม่อยากเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราอยากนั้นมันต้องเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่ คือมันจะต้องมีการเกิดมีการดับมีการเจริญมีการเสือ่อมถ้าเรารู้เราก็จะไม่มีความอยากให้เขาไม่เสือ่อมไม่อยากให้เขาดับพอเราไม่มีความอยากให้เขาไม่ดับไม่เสือ่อมเวลาเขาดับหรือเวลาเขาเสือ่อมเราจะไม่เดือดร้อนเช่นคนที่เราไม่รู้จักนี่เขาจะตายเราเดือดร้อนไหมเราเสียใจไหมไม่พอเราไม่มีความอยากให้เขาไม่ตาย เขาตายก็เรื่องของเขาแต่คนที่เรารู้จักคนที่เรารักทำไมให้เขาตายไม่ได้ <S <S <Für. S 1> เขาก็ตายเหมือนกันร่างกายของคนที่เรารู้จักกับคนที่เราไม่รู้จักมันต่างกันตรงไหนมันไม่ต่างกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทั้งนั้นแต่เราไปยึดกับคนที่เรารักคนที่เราไม่รักเราไม่ยึดพอคนที่เราไม่ยึดเราก็เลยไม่มีความอยากเขาจะตายหรือไม่ตายเราก็เฉยๆได้ แต่คนที่เรารักนี้เราไปยึดเราจะให้เขาตายไม่ได้เราไม่ยอมให้เขาตายพอเขาตายเราก็เลยเสียใจเสียใจทุกใจเพราะความอยากของเราเนั่นเองคนที่ตายแล้วเราไม่เสียใจก็เพราะว่าเราไม่มีความอยากในคนนั้นเขาตายก็ตายไปเราไม่เสียใจนี่คือการสรุปแบบนักวิทยาศาสตร์หรือนักคณิตศาสตร์ ว่ามันเกิดที่ความอยากของเราเกิดที่กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี้เองดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยทรง <c oughs> ใช้ความรู้อันนี้มาหยุดความอยากเวลาอยากให้คนนั้นคนนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็พิจารณาความจริงว่าเป็นไปได้ไหมมาเป็นไปไม่ได้เขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับเขาก็ต้องปล่อยให้เขาแก่เขาเจ็บเขาตายไปเวลาอยู่ร่วมกันก็ช่วยเหลือกันไปดูแลกันไปตามอัตภาพตามกำลังถ้าช่วยให้เขาหายเจ็บได้ก็ช่วยไปถ้าช่วยให้เขาไม่ตายได้ก็ช่วยไปแต่พอถึงเวลาที่เราช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาไปถ้าเราปล่อยเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ยอมปล่อยเราก็จะทุกข์กัน ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ส่งค้นพบว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากที่มีอยู่ในใจและการที่จะทําให้ความอยากนี้ไม่ปรากฏขึ้นมาก็คือเวลาเราอยากได้อะไรก็ให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันไม่เที่ยงมันต้องแกะมันต้องเกิดต้องดับได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็ต้องจากเราไปไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตาย เพราะร่างกายที่เราได้มานี้มันก็เป็นเหมือนกันร่างกายนี้ที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเรามันก็ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราไปรับมาจากพ่อแม่เราเป็นใจใจมารับร่างกายแล้วเราก็มาใช้ร่างกายมาทำตามความอยากของใจเพื่อหาความสุขแต่ความสุขที่เราได้จากการใช้ร่างกายมันมีความทุกข์แถมมาด้วย เพราะว่าเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงนั่นเองพระพุทธเจ้าก็เลยส่งคนพบว่าวิธีที่จะทำให้ใจเรามีความสุขตลอดเวลาก็คือทำใจให้สงบตลอดเวลาขั้นต้นก็ใช้สติสอนให้หยุดความคิดพอหยุดความคิดได้ใจก็สงบมีความสุขแล้วพอออกจากสมาธิมาพอจะคิด ก็ให้เปลี่ยนความคิดใหม่อย่าไปคิดแบบเดิมก็คิดอยากให้ได้สิ่งนั้นอยากให้มีสิ่งนี้ให้คิดว่าถ้าได้สิ่งนั้นหรือมีสิ่งนี้แล้วจะทุกข์นะเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันจะทามันจะต้องมีวันสิ้นสุดหลงนั่นเองให้เปลี่ยนความคิดใหม่เวลาที่ออกจากสมาธิเคยคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ให้เปลี่ยนมาคิดว่าไม่อยากได้สิ่งนั้นไม่อยากมีสิ่งนี้ให้อยู่แบบว่างๆดีกว่า อยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าเพราะเมื่อไม่มีอะไรมันก็จะไม่มีอะไรให้เราทุกข์ด้วยนั่นเองถ้ามีแล้วมันต้องทุกข์เพราะว่าเรามีแล้วเราก็รักก็หวงแล้วพอมันจากเราไปเราก็เสียใจและขณะที่ไม่จากเราก็กังวลว่าเอ๊ะมันจะจากเราไปเมื่ อ, อไหร่มันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นถ้าเรามีอะไรถ้าเรามีลาบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขกับเรา เราก็จะต้องทุกกับลาบยศสารเสญทุกกับรูปเสียงกลิ่นรสเพราะเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้ว่ามันไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากเราไปแต่เราอย่าห้ามใจของเราไม่ได้เรายังหยุดความอยากของเราไม่ได้เรายังต้องมีสิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขกับเราอยู่นั่นเองเราจึงต้องมาทุกกับมันเราเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดดีๆนี่เอง คนที่ไม่ติดยาเสพติดนี้สบายกว่าคนที่ติดยาคนที่ติดยานี้จะต้องทุกข์อยู่กับการเสพกับการหายามาเสพแต่คนที่ไม่ทุกข์นี้ไม่ต้องคนที่ไม่เสพยาน้สายไม่ต้องไปหายามาเสพไม่ต้องมาทุกข์กับเวลาที่ไม่มียาให้เสพจันใดพวกเรายังเป็นพวกติดยาอยู่เราติดลาบยศสารเสริญติดรูปเสียงกลิ่นรสกันอยู่เราขาดพวกนี้ไม่ได้ เพราะเราไม่สามารถที่จะหาความสุขแบบแบบที่พระพุทธเจ้าหาได้คือหาความสุขที่เกิดจากความสงบกันเ <_ S 2> พราะเราไม่หากันเองนั่นเองไม่ใช่เพราะว่าเราไม่มีความสามารถที่จะหาได้พวกเราทุกคนนี้สามารถหาความสุขที่เกิดจากความสงบได้เพียงแต่ว่าหนึ่งเราอาจจะไม่รู้ว่าเรามีความสุขที่ สะอาดความสุขที่ปลอดภัยจากความทุกข์มีอยู่ในตัวเรารอเราอยู่แล้วอยู่ภายในใจของพวกเราอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่รู้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นี้เราจะไม่รู้ถึงไม่รู้จักความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราที่รอเราอยู่ให้เราเข้าไปหาแต่เราไม่รู้กันเราเลยไปหาความสุขนอกตัวเราไปหาความสุขนอกใจ หาความสุขผ่านทางร่างกายที่มีความทุกข์แถมมาด้วยถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนเนื้อปลาที่มีก้างติดอยู่ด้วยเนื้อปลาสมัยนี้มีสองชนิดชนิดมีก้างก็มีชนิดที่ไม่มีก้างก็มีพวกที่ฉลาดก็เลือกกินที่ไม่มีก้างดีกว่าปลอดภัยถ้าไปกินปลาที่มีก้างเดี๋ยวก็ต้องถูกก้างตาปากตาคอได้ พวกเราก็เป็นเหมือนพวกที่ไม่ฉลาดพวกที่ไม่รู้จักปลาที่ไม่มีก้างเรารู้จักแต่ปลาที่มีก้างกันเราก็เลยไปกินแล้วก็ถูกก้างตําปากตําคอกันอยู่ทุกวันนี้นี่คือความสุขสองชนิดด้วยกันความสุขที่ปราศจากความทุกข์กั บ, บความสุขที่มีความทุกข์ติดมาด้วยความสุขที่พวกเราหากันคือความสุขจาก ลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้มันมีความทุกข์แถมมาด้วยมีความเศร้าโศกเสียใจมีความวิตกกังวลมีความหวาดกลัวมีความวุ่นวายใจติดติดมากับมันส่วนความสุขที่ที่เกิดจากการทำใจให้สงบนี้จะไม่มีความทุกข์อะไรติดติดมาด้วย ดังนั้นนี่คือสิ่งที่พวกเราไดจ้จะได้รับจากพระพุทธศาสนาหรือได้รับจากพระพุทธเจ้าก็คือวิธีหาความสุขชนิดที่ไม่มีทุกข์ความสุขที่จะทำให้เราจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปความสุขที่เกิดจากการทาใจให้สงบ และวิธีที่จะทําใจให้สงบนี้พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ส่งค้นพบแล้วก็นําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้พวกเราที่ยังไม่รู้ถ้าเราต้องการที่จะมีความสุขแบบไม่มีความทุกข์ก็ต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้จะสอนเหมือนกันหมดไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้แล้วมาสอนวิธีหาความสุข ก็จะสอนวิธีเดียวกันวิธีที่หาความสุขแบบไม่มีความทุกข์คือหาความสุขที่เกิดจากความสง บ, บของใจนี้มีอยู่สขั้นตอนด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าให้ละการกระทาบาปทั้งปวงเพราะการทําบาปจะทำให้ใจเราทุกข์สอให้เราสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายถึงพร้อม เพราะการสร้างบุญสร้างกุศลจะทําให้ใจของเรามีความสุขสามให้ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์คือให้กําจัดความอยากทั้งสามที่มีอยู่ในใจของพวกเหล่านี้กําจัดกามาตัาหาความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะกาจัดภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นกําจัดวิภาวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นให้กําจัด ความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปวิธีที่จะกจัดก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติธรรมนี้เองที่เรียกว่าจิตตภาวนาที่มีแบ่งเป็นสองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งเรียกว่าสมถภาวนาทําใจให้สงบขั้นตอนที่สองเรียกว่าวิปัสนาสอนใจให้ฉลาดสอนใจให้รู้ว่าอะไรเป็นตัวที่จะมาทําลายความสงบที่ได้จากการ การทำใจให้สงบก็คือต้องรู้ว่าความอยากนี้เองและความอยากก็เกิดจากความหลงที่ไม่เห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นมันเป็นความทุกข์มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองออ น, นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราปฏิบัติกันสามข้อถ้าเราสามารถปฏิบัติตามได้นะ เราจะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้ตอนนี้พวกเรายังมีการกระทำบาปอยู่ถ้ายังมีการกระทำบาปอยู่ก็ให้เรายุติการกระทำบาปกันบาปคืออะไรบาปก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณี <c oughs> การพูดปดและการเดิมสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆ นี่คือการกระทำบาปที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเร า, ายุติกันการกระทำบาปทั้งปวงเราต้องมางระงับที่อบายามุกก่อนถ้าเรายังเสพอบายามุกอยู่เราต้องละอบายามุกเพราะอบายามุกนี้จะเป็นตัวที่จะผลักดันให้เราไปทำบาปต่อไปเช่นถ้าดื่มสุราพอดื่มสุราเมาแล้ว เวลาใจเกิดความอยากจะพูดจะทำอะไรก็จะไม่มีอะไรมายับยัง้งอยากจะไปรังแกคนนั้นคนนี้อยากจะไปดา่าไปว่าคนนั้นคนนี้ก็จะไม่มีสติมาคอยหยุดได้ว่เาเวลาเมาแล้วไม่มีสตินั่นเองคนเมากับคนไม่เมานี้ต่างกันคนเมานี้จะไม่เรียบร้อยคนไม่เมานนี้จะเรียบร้อยคนคนเดียวกันนี่แหละ แต่เปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งได้หลังจากที่ดื่มสุราเข้าไปเพราะผลของการดื่มสุราทำให้ไม่มีสติคอยยับยั้งความคิดที่ไม่ดีไม่ให้ระบายออกมาทางกายทางวาจานั่นเองพอคิดอะไรไม่ดีก็ระบายออกมาอยากจะด่าใครก็ดา่าอยากจะทำร้ายทำลายอะไรก็ทำเพราะไม่มีสติยับยัง้งพอไปทำ ความเสียหายให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นเขาก็จะต้องมามาเอามาเอาโทษกับเราความทุกข์ก็ตามมาเวลาถูกลงโทษถ้าเราไม่ทำผิดก็จะไม่มีการลงโทษไม่ถูกจับโทษไม่มีความทุกข์ตามมาดังนั้นเราอย่าไปทำบาปเพราะทำบาปแล้วมันจะมีทุกข์ตามมามันจะทำให้ใจเราทุกข์และเหตุส่วนหนึ่งที่พาให้เราไปทำบาปก็คือการเสบบบายมุข เพราะการเสพอบายามุกนี้เหมือนจะไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเมื่อมีแต่รายจ่ายใช้อย่างเดียวเดี๋ยวต่อไปเงินทองก็จะไม่พอใช้พอไม่พอใช้แต่ยังต้องใช้อยู่ก็ต้องไปหาโดยวิธีทำบาปเช่นไปลักขโมยไปโกหกหลอกลวงหรือไปป้นไปจี้และอาจจะมีการต่อสู้กันและอาจจะต้องมีการฆ่ากันก็นได้ พอกล้ากันแล้วเดี๋ยวก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตามจับไปลงโทษต้องไปติดคุกติดตารางถ้าไม่ติดคุกติดตารางใจก็ทุกข์กับความหวาดกลัวหวาดกลัวว่าจะต้องถูกจับวันใดวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วก็จะอยู่แบบไม่มีความสุขอยู่แบบหลบๆซ่อนๆ น, นี่คือความทุกข์ที่พวกเราทำกันขึ้นมาเองไม่มีใครบังคับให้พวกเรามาทำกันแต่เนื่องจากความโง่ของพวกเรา ที่คิดว่าการเสพอบายามุกนี้เป็นความสุขคนที่เสพอบายามุกนี้เขาคิดว่าเป็นความสุขได้ดื่มสุราได้เล่นการพนันได้เที่ยวมีความเกียจค้านคิดว่าทําสิ่งเหล่านี้แล้วมีความสุขแต่เขาไม่รู้ว่ามันจะทําให้ต้องไปทําบาปต่อไปเพราะว่าเมื่อไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายก็จะต้องไปหา รายได้โดยวิธีที่ไม่สุจริตนั่นเองก็ต้องไปลักขโมยไปช่อโกงไปโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะได้มีรายได้มาใช้กับอบายามุกต่อไปดังนั้นต้องละอบายามุกแล้วการกระทำบาปนี้จะยากขึ้นแต่ก็ไม่หมดไปเพราะการกระทำบาปนี้ยังมีวิธีมีเหตุอย่างอื่นที่ทำให้ทำบาปได้เช่นเวลาเกิดความโกรธขึ้นมา ก็อาจจะยับยั้งไม่ได้หรือเวลาเกิดความทุกข์ยากลําบากขึ้นมาหิวข้าวไม่มีข้าวกินก็อาจจะไปลักขโมยข้าวมากินก็นได้แต่ถ้าเรามีคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรามาถือศีลกันถือศีลห้ากันและพยายามรักษาศีลห้ากันเวลาที่เรามีอะไรมากดดันให้เราไปทําบาปเราก็จะ ห้ามจิตห้ามใจเราว่าอย่าทำดีกว่าเพราะว่าได้มาแล้วไม่คุ้มไม่คุ้มกับทำไปแล้วไม่ไม่คุ้มกับโทษที่เราจะต้องไปรับต่อไปโทษมีทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และโทษที่หลังจากที่เราตายไปแล้วหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วดวงจิตดวงใจของพวกเหล่านี้ถ้าทำบาปไว้ก็จะต้องไปใช้บาปต่อที่ไปของใจ ของดวงวิญญาณที่ทำบาปก็คืออบายนี่เองอบายก็มีอยู่สีท่ที่คือไปเกิดเป็นเดราฉานถ้าไม่ได้เป็นเดาฉานก็เป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่าเปรตที่มีแต่ความหิวโหยหรือเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวก็เรียกว่าสุรกายหรือเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความอาฆาตพยาบาทมีแต่ความรุ่มร้อนจิตใจด้วยความอาฆาตพยาบาท ก็เรียกว่านารกนี่เองนี่คือที่ไปของผู้ที่ทำบาปหลังจากที่ตายไปแล้วก่อนที่จะมาได้ร่างกายันใหม่มาเกิดใหม่ถ้ามีบาปมีกรรมติดตัวอยู่ก็ต้องไปรับผลของบาปกรรมที่ได้ทำไว้ก่อนพอบาปกรรมที่ได้ทำไว้หมดแล้วก็เหมือนคนที่ไปติดคุกติดตารางพอพอไปติดคุกติดตารางพอหมดโทษแล้วเขาก็ปลดปล่อยออกมา พอปวดปล่อยออกมาก็จะได้ไปนับร่างกายของมนุษย์แล้วกลับมาเกิดใหม่แล้วพอกลับมาเกิดใหม่ถ้าไม่มีใครสั่งใครสอนก็อาจจะกลับมาทําแบบเดิมเพราะมันจะติดเป็นนิสัยคนที่ชอบอบายามุขมันก็จะกลับมาเสพอบายามุขใหม่ชอบเที่ยวก็จะเที่ยวชอบเดื่มโซราก็จะดื่มโซราชอบเล่นการพ น, นันก็จะเล่นการพ น, นันแต่ถ้าได้มาเกิด ในครอบครัวที่รู้โทษของอบายมุขก็จะมีพ่อมีแม่มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยหักคอยสอนคอยห้ามคอยเตือนไม่ให้ไปเสพอบายมุขถ้าเชื่อฟังก็จะปลอดภั ย, ยนี้อย่างพวกเราชาตินี้เราได้มาเจอพระพุทธศาสนาเราจึงได้ยินคำสั่งคำสอนเรื่องของการละเว้นการเสพอบายมุขละเว้นการกระทำบาป เพราะมันไม่มีประโยชน์กับจิตใจมีประโยชน์ก็ชั่วขณะที่เราได้ไปทําเท่านั้นเองได้ไปเที่ยวได้ไปดื่มได้ไปรักขโมยหรือไปทําอะไรที่เราอยากทําแต่หลังจากนั้นมันมีโทษตามมายาวมีตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ตายตอนที่ไม่ตายจิตใจเราก็ร้อนขึ้นมาจิตใจเราก็ไม่สบายขึ้นมาต้องมีความหวาดกลัววิตกกังวลว่าจะถูกจับไปลงโทษหรือไม่ มีคนรู้หรือไม่คนเขารู้แล้วเขาจะประนามเราหรือไม่เขาจะรังเกียจเราหรือไม่เนี่ยมันจะมีความผลที่ไม่ดีต่อจิตใจเรียกว่าความทุกข์ใจนี่แล้วตายไปยังต้องไปรับผลในอบายต่อไปนี่คือสาเหตุที่พระททพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเราละการกระทําบาปทั้งปวงถ้าไม่ได้ทําบาปก็ไม่มีปัญหาถ้าเราไม่ได้ทําบาปไปแล้วก็สบายข้อนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเรา ถ้าเราไม่ได้เสบาบายามุกเราไม่ทำบาปข้อนี้เราก็ไม่ต้องทำตามเพราะไม่เราได้ทำอยู่แล้วแต่ถ้าเรายังเสบาบายามุกอยู่ยังทำบาปอยู่เราควรจะเลิกเสียเพราะว่ามันได้ไม่คุ้มเสียนั่นเองความสุขที่ได้กับความทุกข์ที่เราจะต้องชดใช้นี้มันต่างกันมากไม่คุ้มกันเหมือนซื้อของซื้อของมาแล้วของที่เราจ่ายของที่เราได้มาไม่คุ้มกับเงินที่เราจ่ายไป ซู้เก็บเงินไว้ดีกว่าอย่าไปทําบาปแล้วถ้าเราอยากจะมีความสุขในขณะที่เรายังไม่สามารถกําจัดกิเลสตัณหาความโลภความอะไรต่างๆได้ก็ให้เราไปหาความสุขด้วยการทําบุญทําทานการทําบุญทําทานนี้เป็นการหาความสุขที่ดีกว่าการทําตามความอยาก ความสุขนี้มันมีสองแบบความสุขที่เกิดจากได้ทำตามความอยากเช่นอยากไปเที่ยวพอเราไปเที่ยวเราก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่มันเป็นความสุขที่มันจะทำให้เราติดพอเวลาเราไม่ได้เที่ยวแล้วเราจะรู้สึกงดเย็ดเวลาที่ไม่ได้เที่ยวรู้จะจะรู้สึกเหงารู้สึกเศร้าสู้เอาเงินที่เราจะไปเที่ยวนี้เอาไปทำบุญทาทานดีกว่า เพราะการทำบุญทำทานจะทำให้ใจเรามีความสุขแบบอิ่มแบบพอไม่มีความหิวที่อยากจะไปเที่ยวไม่มีเงินก็ไม่ไปเที่ยวก็ได้อยู่บ้านก็ไม่เดือดร้อนถ้าได้ทำบุญแล้วใจจะอิ่มกว่าจะมีความสุขมากกว่านี่คือวิธีหาความสุขคือทำบุญต่างๆทาบุญก็คือการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน ให้เขาได้มีความสุขบ้างแทนที่จะเอาเงินของเรานี้ไปเที่ยวไปซื้อของที่ไม่จำเป็นเช่นซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆที่เรามีอยู่แล้วเช่นกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าของอะไรต่างๆเหล่านี้ซื้อมามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่ามันไม่ได้มาจำเป็นจะต้องมีสู้เอาเงินที่ไปซื้อของไม่จำเป็นเหล่านี้ไปทำบุญทำทานดีกว่า เพราะมันจะทำให้เกิดความอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขใจแล้วมันจะช่วยกำจัดความอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆให้หมดไปได้ด้วยต่อไปเราจะสามารถอยู่แบบสมถะเรียบง่ายได้ไม่ต้องหาความสุขจากการซื้อข้าวซื้อของซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆถ้าเราต้องมีความสุขจากการซื้อของฟุ่มเฟือยเราก็จะเดือดร้อนเพราะเราจะต้องคอยหาเงินทองมอซื้ออยู่เรื่อย แล้วถ้าเราไม่สามารถหาได้เราก็จะไม่มีความสุขแต่ถ้าเราทำบุญนี้ใจจะอิ่มจะพอเวลาไม่มีเงินเที่ยวไม่มีเงินซื้อของฟุ่มเฟือยหรือไม่มีเงินทำบุญเราก็ไม่เดือดร้อนใจของเรามีบุญหล่อเลี้ยงอยู่จิตใจอยู่ยนี่วิธีหาความสุขให้แก่จิตใจที่ถูกต้องอย่าหาความสุขด้วยการซื้อของฟุ่มเฟือยด้วยการไปเที่ยวด้วยการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่าง ให้หาความสุขด้วยการเอาเงินนี้ไปช่วยเหลือผู้อื่นดีกว่าเอาไปทําประโยชน์ให้แก่สังคมและทําประโยชน์ให้กับวดัดกับโรงเรียนกับโรงพยาบาลทําแล้วจะมีความอิ่มใจสุขใจมากกว่าการที่ได้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยหรือได้ไปเที่ยวนี่เป็นการหาความสุขในถ้าเรายังไม่สามารถที่จะหาความสุขที่สูงกว่านี้ได้คือความสุขที่เกิดจาก การชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจจากจิตจากใจอันนี้เป็นความสุขที่เราจะต้องอต้องต้องใช้ความพยายามมากคืออย่างน้อยเราต้องถือศีลแปเราต้องระ ง, งับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปอยู่ที่สงบตามวัดปา่วาวัดเขาที่มีการปฏิบัติธรรมมีการสอนให้เจริญสติเพื่อหยุดความคิด เพื่อนั่งสมาธิแล้วทําใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วฮวิธีเวลาออกจากความสงบมาก็ให้ชาหัดใช้ปัญญาเพื่อมารักษาความสงบให้อยู่ต่อไปไม่ให้หายไปอด้วยการคอยกําจัดความอยากต่างๆที่โผล่ขึ้นมาด้วยให้ด้วยการคิดว่าสิ่งที่อยากได้มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเราไปห้ามมันไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้อง จากเราไปให้คิดอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะระ ง, งับความอยากได้รักษาความสงบได้แต่อันนี้มันเป็นขั้นขั้นที่ยากที่สุดขั้นที่สามแต่ทุกคนก็สามารถพัฒนาไปได้ทําขั้นที่สองทําขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองให้ได้ก่อนเมื่อทำละการกระทําบาปได้แล้วทําบุญทํากุศลทั้งหลายได้แล้ว ทีนี้เราก็จะมีกําลังที่จะไปชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราก็จะมีกําลังไปอยู่วัดไปถือศีลแปดไปหัดตั้งสมาธิไปไหว้พระสวดมนต์ไปฟังเทศน์ฟังธรรมพอเราทําไปได้เรื่อยเราก็จะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นสามารถควบคุมจิตใจควบคุมความคิดได้มากขึ้นหยุดความคิดได้ง่ายขึ้นนั่งสมาธิสงบได้เร็วขึ้นได้นานขึ้น แล้วต่อออกจากสมาธิมาก็หันพิจารณาอันนี้จังทุกขังอนัตตาแม้ว่าจะอยากได้อะไรจะต้องเห็นทันตีว่าสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปควบคุมบังคับไดนะ้พอเราสามารถสอนใจให้คิดอย่างนี้ได้ต่อไปเราก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมา กลายเป็นใจของพระพุทธเจ้าใจของพระ้ า, าหัน์ขึ้นมาวิจใจของพุทธเจ้าใจของป้ า, าหันก็เกิดจากการปฏิบัติทำสามข้อนี้เองคือละการกระทำบาปทั้งปวงพระพุทธเจ้าสอนได้ละแล้วเราท่านหนึ่งมาสอนบาปนี้พระพุทธเจ้าไม่ทําแล้วบุญกุศลพระพุทธเจ้าทําพร้อม ท, ทุกชนิดแล้วชําระใจสะอาดบริสุทธิ์ท่านก็ชําระได้บริสุทธิ์แล้ว ใจของท่านก็เลยไม่ต้องหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องหาความสุขจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปการไม่ได้มาเกิดก็ไม่ได้หมายความว่าหายไปไหนใจของพระเจ้าก็ยังอยู่เหมือนตอนที่ท่านมาเกิดเพียงแต่ว่าตอนนี้ท่านไม่ต้องมาทุกข์เท่านั้นเอง เพราะว่าเวลามาเกิดมันต้องมาทุกกับร่างกายทุกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ทุกกับเรื่องนั้นเร่องนี้พอไม่มีร่างกายแล้วมันก็ไม่มีทุกข์ให้มาต้องทุกข์ด้วยต่างกันแค่นี้เองใจไม่ได้หายไปไหนใจของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ใจเหมือนกับใจของพวกเราต่างกันตรงที่ใจของพระพุทธเจ้ามีแต่ความสุขส่วนใจของพวกเหล่านี้มีแต่ความทุกข์แต่เราสามารถพลิกใจเปลี่ยนใจของพวกเหล่านี้ให้ กลายเป็นใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกได้ถ้าเรานำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติคือละการกระทำบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือวิธีที่พวกเราจะมาตอบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีอะไรที่เราจะสามารถตอบแทนได้นอกจากการปฏิบัติบูบบชานี้เอง พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าต mm ้องการบูชาเราให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาเพราะการปฏิบัติบูชานี้จะทําให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่เป็นเป้าหมายของการสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เองพระพุทธเจ้าไม่ต้องการอะไรจากพวกเราสิ่งที่ท่านต้องการเห็นก็อยากจะเห็นให้พวกเราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเหมือนกับเห็นคนที่อยู่ในกองไฟก็อยากจะบอกให้เขาออกมาจากกองไฟบอกทางให้เขาออกมาถ้าเขาออกมาได้เราก็จะดีใจที่เราได้ช่วยเขาพวกเราตอนนี้ก็เป็นเหมือนพวกที่ติดอยู่ในกองไฟแล้วเรามีคนฉลาดคือพระพุทธเจ้ามาบอกทางให้พวกเราออกมาอย่างปลอดภัยถ้าเราเชื่อตามที่พระเจ้าสอนพอเราออกจากกองไฟมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ พระพุทธเจ้าก็จะมีความสุขใจที่ได้ช่วยเหลือพวกเราดัางนั้นวิธีที่เราจะบูชาพระพุทธเจ้าก็คือขอให้เราบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนทั้งสามข้อนี้คือละการกระทาบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเราก็จะได้บูชา พระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าและเราก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปพร้อมๆกันเลยดังนั้นในวันวิสาบูชาวิสาขาบูชานี้ขอให้ท่านจงน้อมนมนึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าและบูชาพระคุณอันประเสริฐนี้ด้วยการปฏิบัติบูชาเพื่อเป็นการ ทำให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายตามความปรารถนาของพระพุทธเจ้าการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรอยทาวาเวะ า, าปุราปาริปุเรนติสากะลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกักปฏิอิทิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยธาเมณิโชติราโสยธาสัพพิตโยวิวัจจันตุ สัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาทนสิริสะนิจังุทธาปจายโนยตารุธรมมวะทานติอายุวันโอสุขังพลัง ลำดั บ, บต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาคำถามาใครมีคำถามอยากจะถามก็เชิญขึ้นมาถามบนสาราดได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้เข้ามาเท่าไหร่ทางเฟซบุ๊กหนึ่ง้อยหกสิบคนครับยูทูบร้อย้าสิบห้าคนครับ วิทยุออนไลน์47คนครับผู้ระฟังบนเขา356คนครับรวมทั้งหมด758คนครับพระอาจารย์วันนี้พอกับบินตะบานนะบินตะบานก็720คนใส่บาตรใครมีคำถามก็ถามได้นะถ้ายังไม่มีคำถามก็เอาทางบ้านก่อนมีไหม คำถามจาก Facebook ครับกับเรียนถามหลวงพ่อครับการทาสมาธิให้สงบอยู่แต่ยังได้ยินยังมีความรู้สึกอยู่แต่จิตยังไม่ออกคือรับรู้แต่ไม่มีความคิดเห็นกระทั่งรับรู้แล้วพิจารณาและออกจากสมาธิทันทีอย่างนั้นเป็นสมาธิหรือเป็นแค่ช่วงที่สติจะเข้าสู่สมาธิครับ ถ้าเป็นสมาธิจิตมันจะปล่อยวางจะเป็นอุเบกขาสมาธินี้มีสองแบบแบบเข้าไปแล้วหายทุกอย่างหายหมดเหลือแต่จิตล้ว น, วนเหลือสัตแต่ว่ารู้เหลือแบบที่ยังรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสอยู่แต่ใจเป็นอุเบกขาใจไม่มีอารมณ์กับรูปเสียงกลิ่นรสอาการเจ็บปวดรับรู้อยู่แต่ไม่เดือดร้อนกับอาการเจ็บปวดนั้น ก็มีอยู่สองรูปแบบด้วยกันอยู่ที่กําลังของสติถ้าสติมากก็จะเข้าไปสู่ข้างในได้เต็มที่ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสชั่วข้าวบางทีก็ไปเข้าไปไม่ถึงนั้นยังยังรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสอยู่แต่ใจก็ไม่วิตกไม่กังวลไม่วุ่นวายาไม่ลาคาญกับอะไรเฉยๆมีความสุข คำถามจาก บ, บนเขาเจ้าคะเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเราต้องนําสัตว์เลี้ยงของเราเช่นสุนัขแมวไปฉีดยาคุมหรือพาไปทําหมันจะถือว่าเป็นบาปหรือไม่เจ้าคะไม่บาปหรอกเพราะว่าไม่ได้ไปฆ่าเขาเนี่ยถ้าฆ่านะ ถ, ถ, ถึงบาปถ้ารักษาป้องกันนี่ไม่ไม่บาปเหมือนมนุษย์เราก็ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโครคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆ คำถามจากทาง Youtube นะคะจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามค่ะสอบถามพระอาจารย์พี่สาวชอบด่าพ่อแม่ด้วยคำหยาบคายเลยต่อว่าพี่สาวไปแต่เขากลับมาด่าเราแถมบอกว่ากรรมของเขาไม่ต้องมายุ่งแบบนี้จะวางใจยังไงดีคะเพราะเขาดุด่าว่าบ่อยค่ะพอเราได้ยินแล้วเราก็ทุกข์ค่ะ ก็เพราะว่าเราไปอยากให้เขาไม่ด่านั่นเองงั้นเราก็ต้องยอมรับว่าเราห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไปเหมือนกับเขาเป็นส้มอยากจะให้เขาเป็นกล้วยไม่ได้ก็ปล่อยเขาเป็นส้มไปไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ถ้าอยากจะไปเปลี่ยนเราทำให้ใจเราไม่สบายความอยากจะทำให้เราไม่สบายใจงั่นเราต้องพิจารณาด้วยปัญญาว่าเราไปเปลี่ยนเขาได้หรือไม่ ถ้าเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามตามที่เขาเป็นอยู่คําถามจากคุณวชิรวิทย์ค่ะกาบเรียนถามพระอาจารย์ลูกชายเข้าสู่วัยรุ่นการเรียนยังดีชอบติดแต่จออยู่กับแท็บเล็ตทั้งวันมีทางแก้ไขหรือไม่ครับก็อยังมีแท็บเล็ตเลยยังมีแท็บเล็ตยังมีสมัยก่อนสมัยเราไม่เห็นมีแท็บเล็ตนะ เราก็อยู่กันได้เรามีแต่กระดานดำใครเรียนหนังสือสมัยที่ไม่มีกระดาษดินสอไหมสมัยไมมีกระดาษดินสอก็มีกระดานทับเล็กเหมือนกันแล้วก็มีบากกามีไอ้ที่เขีดให้เขียนเหมือนกันะทับเหล็กมีมาตั้งแต่ยุคเราปู่ย่าตายายครสมัยนั้นเขาไม่มีกระดาษไม่มีดินสอก็าก็าใช้ไอ้ไอ้แผ่นกระดานเขาเรียกกระดานดำเนี่ย แล้วก็มีไอ้ที่ขีดให้ขีดตัวหนังสืออะไรได้เสร็จแล้วก็ลบได้ทันสมัยยิ่งกว่าสมัยนี้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยเรามีมาตั้งแต่นั่งเดิมแล้วแท็บเล็ตแต่แท็บเล็ตของเราใช้ประโยชน์ใช้เป็นการเรียนอย่างเดียวแต่แท็บเล็ตสมัยนี้มันเป็นเอามาใช้เล่นกันซะ ส, ส่วนใหญ่เอามาเล่นเกมมาดูการ์ตูนมาดูของบ้าบอคอแตกทาให้โง่ไม่ได้ทาให้ฉล า, าดแล้ว ทำให้หัวลอ้อเก้อกาเก้อกาไปเท่นี้แต่ไม่มีปัญญาไม่มีความรู้อะไรก็ถ้าใช้แบบนั้นก็ควรที่จะริบมันกําจัดมันดีกว่าเหมือนกับมีดทําไมเราไม่ปล่อยให้ให้เด็กใช้มีดอ่ะเห็นไหมมีดเรายังเก็บไว้ได้ห้ามเขาใช้ได้เมื่อพวกจอบพวกนี้มันมาเป็นพิษเป็นภัยกับลูกเราเราก็ต้องห้ามมันเหมือนกับห้ามมีดสิเห็นไหมถ้าจะใช้ก็ต้องให้มันใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้าใช้ไม่เป็นประโยชน์ก็อย่าให้มันไปใช้ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกราบนมัส ก, การเรียนถามพระอาจารย์ครับในทางพระพุทธศาสนาเราสามารถอุทิศบุญของเราที่มีอยู่ในขณะนี้ให้บุคคลอื่นหรือญาติผู้เสียชีวิตได้หรือไม่อย่างไรครับเรารู้หรือเปล่าเรามีหรือเปล่าเราไ ม, เาไ ม, ม่เราไม่มีที่ตรวจเช็คบุญเหมือนกับเรามีธนาคารเนี่ยฮะ ธนาคารเรายังพอจะเช็คได้ว่าตอนนี้มีเงินเหลือเท่าไหรแต่บุญนี่เราเช็คไม่ได้ยั้นเพื่อความมั่นใจถ้าเราอยากจะส่งบุญให้ใครก็ไปทําบุญซะทําบุญปั๊บก็สามารถแบ่งบุญไปได้เลยแต่ถ้าเราบอกว่าจะขอส่งบุญเก่าไปนี่ไม่รู้มีหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะส่งบาปไปแทนก็ได้คําถามจากคุณพัชระค่ะกราบน้ำมการพระอาจารย์ ทุกๆครั้งที่เราทำบุญพ่อแม่จะได้บุญด้วยหรือไม่ครับอ๋อแม่เนอะของใครของมันบุญใครทำใครก็ได้เหมือนกินอาหารบุญเป็นเหมือนอาหารของจิตใจใครทำก็จะได้ความสุขใจอิ่มใจคนที่ไม่ได้ทำก็ไม่ได้ความสุขใจอิ่มใจ <c oughs> คาถามจากผู้ไม่ประสงค์ <c oughs> ออกนามค่ะกราบนมัส ก, การเรียนถามพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เคยเทศว่า งานบวชงานบุญต่างๆจัดแบบเรียบง่ายได้แล้วถ้าเป็นงานศพจะจัดแบบเรียบง่ายได้หรือไม่ครับได้ชาวบ้านเขาไม่มีเงินเขาก็ไม่มีเขาไม่ได้จัดอะไรสมัยที่เราอยู่บ้านตากเวลาชาวบ้านเขาตายเขาก็นิมนต์ผ้าไปที่ <c oughs> ที่ป่าช้าเลยเขาก็ตัดต้นไม้ฝืนกองไว้แล้วลงศพก็ทำด้วยกระดาษอ่ <c oughs> ไม่มีเงินเขาก็ทําด้วยกระดาษปะเอารอบมีไม้เป็นเป็นโครงไว้หน่อยแล้วก็ปะแล้วก็นิมนต์พระสี่รูปไปสวดมรดิกาเสร็จเขาก็ยกขึ้นไปตั้งบนกองเฟืนกองกองฟืนแล้วก็จุดไฟเผาเลยไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรงานศพก็คืองานเผาไม่ใช่งานเลี้ยงแขกรับแขกมันกลายเป็นงานเลี้ยงแขกรับแขกไปมันไม่ได้เป็นงานเผาศพเผาศพมันไม่ยากหรอก พอมีฟืนมีไฟมันก็ใช้ได้แนละ้วหมดแล้วนะอนี้มันมันเป็นงานสังคมไปสมัยนี้เป็นงานที่จะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่มีผู้มีเกียรติมาแสดงความเสียใจมาร่วมงานถึงจะส่งให้ผู้ตายไปอย่างสุขติไม่ใช่อย่างนั้นหรอกสิ่งที่จส่งผู้ตายไปไม่ใช่งานศพที่เราจัดหรอกจัดดีขนาดไหนวิเศษขนาดไหนมันก็ไม่สามารถที่จะส่ง จิตของผู้ตายไปสวรรค์ได้ถ้าไม่ได้ทําบุญถ้าทําแต่บาปนี่ไม่มีทางที่จะไปสวรรค์ได้เนี่นเรื่องไปของผู้ตายนี้เขาไปแล้วตั้งแต่เขาไม่หายใจนี่จิตของเขาไปจากร่างแล้วร่างเขาตอนนี้ก็เป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งท่านั้นเองไม่รู้เรื่องรู้ราวกับอะไรจะเผาวันนี้เลยก็ได้ตายเช้าเผ า, าเย็นก็ได้อย่างศพของแม่ของน้องตาหมาบัวตายเช้าท่านก็บอกให้เผาบ่าย ที่ญาติพี่น้องบอกขอเก็บไว้สักคืนเพราะให้ญาติพี่น้องเขาจะได้ม า, ามาคารวะศพหน่อยท่านก็เลยให้เก็บไว้คืนหนึ่งแต่ท่านตั้งใจจะให้เผาตั้งแต่ตอนบ่ายวันนั้นละเพราะมันมันมันไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บอะไรไว้ต่อไปตายแล้วก็เผาไปเผาเสร็จท่านก็เอาขเท่าเอาเศษกระดูกนี้ไปโรยที่ต้นโพขนต้นโพในวันแล้วบอกเป็ น, เ ป, นเป็นบูชาพระพุทธเจ้าไปเป็นปุ๋ยไป ร่างกายมันไม่มีสาระคุณประโยชน์อะไรมันเป็นดินน้ำลมไฟมันเป็นวัตถุมันเป็นเครื่องมือของจิตที่เราจิตเอามาใช้ให้ไปทําบุญหรือทําบาปแล้วบุญหรือบาปเนี่ยเป็นตัวที่ส่งจิตให้ไปสวรรค์หรือไปอบายไม่ใช่งาน <c oughs> งานบุญต่างๆเวลาทําทํางานศพแล้วเราก็ทําบุญกันใหญ่บุญที่เราส่งไปนี้ไม่สามารถส่งให้เขาไปสวรรค์ได้ ช่วยได้ก็เพลงแต่บันเทาถ้าเขาเกิดเขาไม่มีบุญเขาก็มาเป็นแบบขอทานเป็นเหมือนเหมือนเงินที่เราให้ขอทานเท่านั้นเองไม่ไม่ได้เป็นบุญที่จะทําให้เขาไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้ถ้าจะไปสวรรค์นี่ต้องทําบุญตั้งแต่ตอนที่เรายัางไม่ตายถ้าเราให้คนส่งไปให้นี่ก็ส่งไปได้แค่เป็นแค่ค่าอาหารมือสองมือเท่านั้นเอง คำถามต่อไปนะคะเจะ้าผู้รับฟังบนเขาเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วรู้อยู่แค่ลมหายใจแล้วมันติดอยู่แค่ตรงนี้เราควรจะทำยังไงต่อไปคะเป็นมาเป็นเดือนแล้วเจ้าค่ะไม่ทราบคำว่าติดเป็นยังไงนะครับคาว่าถ้าติดดูลมก็ถูกแล้วก็ดูลมไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้จิตไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าดูลมเพียงอย่างเดียวไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวจิตก็จะเข้าสู่ความสงบแล้วเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความเบาเข้าสู่ความสบายเออให้ดูลมไปให้ดูลมเข้าลมออกดูที่ปลายจมูกแต่อย่านั่งดูไปแล้วคิดไปด้วยนะนั่งดูไปแล้วก็คิดไปก็จะติดอยู่ตรงนั้นนะ่ะไม่ได้ไปไหน การดูลมนี้เพื่อให้หยุดความคิดไม่ให้ไปคิดให้ดูให้คิดอยู่กับเรื่องลมให้รู้อยู่กับเรื่องลมอย่าไปรู้กับเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตให้รู้อยู่กับเรื่องลมเพียงอย่างเดียวรู้ว่าเข้ารู้ว่าออกท่านี้ถ้ารู้อย่างนี้แล้วจิตมันจะค่อยเบาลงสบายสงบลงมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นมีปิติมีสุขมีอะไรปรากฏขึ้นมาตามลาดับต่อไป คำถามจากคุณนภัสเจ้าค่ะเรียนสอบถามพระอาจารย์การที่เราทําบุญในวันพระใหญ่กับวันธรรมดาบุญที่ได้รับจะเท่ากันหรือต่างกันไหมเจ้าค่ะอยู่ที่ว่าทํามากทําน้อยไงไม่ได้อยู่ที่วันอยู่ที่ปริมาณที่เราทําถ้าเราทํามากบุญก็มากทําน้อยบุญก็น้อยไม่ได้อยู่ที่ว่าวันนี้วันสําคัญทําแล้วจะได้บุญมากกว่าวันที่ไม่ใช่วันสําคัญไม่ใช่ มันสำคัญนี้เป็นเพียงแต่เป็นเหตุจูงใจให้พวกเราได้ทําบุญกันเพราะธรรมดาถ้าเป็นวันธรรมดาเราจะอ้างว่าโอ้ยไม่มีเวลาไม่ไม่ว่างก็เลยไม่ทํากันแต่พอเป็นวันสําคัญอ้างไม่ได้แล้วเพราะมอเป็นวันสําคัญก็เลยต้องมาทํากัน น, นั่นเองเนี่เป็นอุบายของนักปราดของปู่ย่าตายายของพวกเราที่รู้ว่าพวกเราไม่ชอบทําบุญกันต้องมีเหตุถึงจะทำ เนวันสำคัญสำคัญวันเกิดวันแต่งงานวันครบรอบวันอะไรวันปีใหม่วันมาฆะวันวิสาขะเนี่ยถึงจะทำกันเขาเลยต้องจัดวันสำคัญสำคัญเพื่อให้เราได้มาทำบุญกันแต่ความจริงเราควรจะทำทุกวันทำตามกำลังของเราที่จะ้ทำทุกวันมันจะมันจะได้ติดเป็นนิสัยแล้วมันจะได้ทำเพราะแล้วพอเรามารวมยอดกันมันจะได้มากกว่า มากกว่าที่เรามาทำในวันสำคัญสำคัญหมดแล้วใช่ไห ม, ไมไก็หมดเวลาพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไป พ, พิจิตรณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด